ขอถือโอกาศจากท่านประธานผู้จัดงานท่านอาจารย์มหาณรงค์ท่านอาจารย์ช่างคณะครูบาอาจารย์ทุกๆรูปถือโอกาสจากผู้ที่ท่านมาอยู่ปริบัติกรรมในอุบาสกอุบาสิกาที่มาปฏิบัติธรรมทุกๆ ท, ท, ท่านวันนี้ มีโอกาสได้มาพบปะกับท่านที่มีศรัทธามาร่วมกันอยู่ปริบาติกรรมผมเองมีความดีใจกับท่านทั้งหลายเป็นอย่างมากทั้งคณะครูบาอาจารย์ผู้ถวายความสะดวกถวายความรู้ตลอดจนท่านผู้มีศรัทธา พร้อมที่จะร่วมกันสืบอายุการศาสนาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้เจริญยาวนานเท่าที่จะเป็นไปได้สิ่งที่ผมประทับใจมากที่สุดก็คือเรื่องส่วนนี้เท่าที่เคยไปร่วมงานปริวาิทั่วไปเพราะมีโอกาสได้ไปสัมผัสกับงานส่วนนี้หลายๆที่หลายๆทาง ท่นี่กับผมเองก็ไม่ใช่ว่าจะเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถเชี่ยวชาญเกี่ยวข้องกับหลักธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกแง่ทุกมุมก็เปล่าเลยฉันนำมาพูดคุยกับพวกท่านทั้งหลายในบางสิ่งบางอย่างที่เห็นว่าพอที่จะนำมาชี้แนะหรือชี้แจง หท่านทั้งหลายฟังได้เท่านั้นวันนี้ผมคิดว่าจะนำเอาเรื่องของคำว่านะโมมาคุยกับท่านทั้งหลายพอเป็นสังเขปทำไมถึงจะเอาเรื่องนะาโมมาพูดคุยกับผู้ปฏิบัติธรรมคำว่านะโมนี่ เป็นส่วนหนึ่งที่พวกเราชาวพุทธไทยหรืออาจจะทั่วทั่วไปก็ได้แต่เฉพาะชาวพุทธไทยเราเนี่ยจะทํากิจกรรมอะไรก็แล้วแต่พวกเราจะนำอานาโมเนี่ยมาเริ่มต้นในกิจกรรมทั่วๆวไปที่นี้ที่ผมมาพูดแง่มุมในคําว่านาโมตรงนี้เพราะคิดว่า เราอาจจะตั้งแต่น้ามูแต่อาจจะไม่ตีความหมายของคำว่าน้ามูในการเริ่มต้นฉะนั้นขอภัยบางทีเร า, า จ, จะคิดว่ามันเป็นหญ้าปากโคกถ้าเราก็ตั้งน้ามูโยมก็ตั้งน้ามูไม่ว่าเราจะไปสวดพิธีกรรมทางศาสนาในส่วนไหน เราตั้งหน้าโมทั้งนังน้นผมพูดในแง่มุมในลักษณะที่ว่า <c oughs> อยากให้ท่านเข้าใจในความหมายของหน้าโมถ้าหากท่านผู้ที่เข้าใจอยู่แล้วอขอขออนุมโมทนาสาธุเอาไว้หลวงหน้าคําว่าน้โมตรงนี้ความหมายเนี่ยโมนี่แปลว่าแข็งแปลว่ากระด้าง ผมไปพูดหลายๆที่ในปีนี้พูดเรื่องน้ำโม อ, อย่างเดียว <c oughs> แข็งหรือกระด้างนะครับนี่หมายถึงสภาพจิตใจณนะนีแปลว่าไม่ท่านผู้ที่ศึกษาว่าปริยนธรรมอาจจะมีความเข้าใจดีทำไมเอาตรงนี้มาพูด อยากให้ท่านทั้งหลายทําความเข้าใจกับนโมว่าถ้าเรามีนโมอยู่ในใจสร้างนโมให้เกิดขึ้นในใจอยู่ตลอดก็หมายความว่าผู้ที่มีนโมอยู่ในใจตลอดเนี่ยท่านจะมีโอกาสนั่งใกล้พระพุทธเจ้านั่งใกล้แดนกระสม นั่งใกล้พระนิพพานถ้าหากไม่มีน้มูลแล้วเข้าใจว่ามันจะเป็นไปได้ยากทำไมผมถึงพูดในแง่มุมอย่างนี้ที่พูดในแง่มุมอย่างนี้เพราะว่าทุกท่านทุกคนถ้าฟังทำก็ดีจะศึกษาทำก็ดีจะปฏิบัติทำก็ดีเริ่มต้นตั้งแต่เราจะ บำเพ็ญทานรักษาศีลหรือเจริญภาวนาถ้าเราขาดนาโมก็แสดงว่าเราไม่มีศรัทธาเพราะจิตมันแข็งจิตมันกระด้างใช่ัหมครับจิตไม่มีความนอบน้อมจิตไม่มีความอ่อนน้อมผู้รู้ทั้งหลายสมัยอดีต พอท่านฟังธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจบลงเข้าใจความหมายรู้เรื่องที่ไปที่มาผู้รู้ท่านจะกล่าวคำว่าณมูจัตสะพระคาวาตูนะครับทาให้ท่านถึงได้ถวายนามพระควาตรงนี้ก็เพราะว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยเป็นสยามภู คือผู้เป็นเองผู้รู้เองผู้เห็นเองนะครับท่านผู้รู้ฟังรำจบลงก็เลยถวายพระนามกับพระผู้มีพระภาคเจ้าว่านณะมูตัสสะพระขวาวพระวาโตอันเถะหมายความว่าข้าพระเจ้าขอนอบน้อมพระผู้ประเสริฐสูงสุดพระวานี่ท่านตีความว่าอย่างนั้นหรือจะ แกอีกในย่อหนึ่งว่าผู้แบ่งภาคธรรมเป็นภาคาธรรมความหมายว่าเป็นผู้ประเสริฐสูงสุดผู้รู้ท่านถาวายนามตรงนี้เพราะว่าไม่มีใครเคยนาธรรมะส่วนนี้มาแสดงกับชาวบ้านกับชาวโลกเลยมีพระพุทธเจ้าเท่านั้นผู้รู้ทั้งหลายที่ศึกษาธรรมะปฏิบัติธรรมะ บางท่านบางรูปบางองค์จนจบสมาบัติก anyway, ็ยังไม่เข้าใจตรงนี้เราจะเห็นความหมายจากพระธรรมจักรใช่ไหมครับสัมเนธนาเทเวนามาเลนาวสัมเนมนาวพระมุนาวโคนะจีวารุกะมินติพวกท่าพวกเราสวดตรงนี้เราผมอาจจะเรียนสับปีตรงนี้ก็ได้นะตรงนี้นะคือท่านบอกว่าสมณาก็ดีเทวดาก็ดี มันก็ดีพรมก็ดีพรามกก็ดีนะไม่มีใครรู้เรื่องนี้ว่าอย่างนั้นเถอะจนพระองค์ทรงอุทานว่าอัญญาสิวัตภูควรแนอยู่อัญญาสิวัตภูควนทนอยู่นะเห็นไหมครับพอผมพูดตรงนี้แป๊บพวกท่านทั้งหลายที่เคยศึกษาปริยัติมาโค้งคงพอเข้าใจพอที่จะลำดับเปียนปัจจัยส่วนนี้ออกนี่เองที่เรียกว่า พระจมาสมกุเตเจ้ามีผู้รับรองเป็นสยามภูวันนี้เป็นวันมาค้าเนาะผมจะไม่พูดเรื่องมาค้าหรอกอาจจะใช้เวลาพอสมควรคือถ้าพูดเรื่องมาคะมันก็จะเป็นเรื่องมาคะมันจะยาวไปจะพูดตรงนี้นิดหน่อยเท่านั้นนี่เองถึงบอกว่าพยายามสร้างนโมให้เกิดขึ้นในจิตในใจของเราให้ได้ จิตใจเราจะได้ไม่แข็งไม่กระด้างยาวโมมาใช้ตัวเดียวเราเอานะมาด้วยเราถาวายความนอบน้อมในพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เป็นพระบรมครูผู้เป็นาศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเราต้องสร้างศรัทธาตรงนี้ให้มันเกิดขึ้นในใจให้ได้ พุทธเจ้าว่าผู้ไม่มีบุญในการอด น, น้อมถม่อมตนทำอะไรก็ยากที่จะเปิดสบผลสำเร็จพวกเราปฏิบัติธรรมมีความเปลี่ยนอ่อนมีศรัทธาย่อนมันก็ไปยากเหมือนกัน <c oughs> ต้องมีความเปลี่ยนกล้าศรัทธาแข็งรวบรวมอินทรีย์ให้สมดุลพอเหมาะพอควรเราถึงจะทำความเข้าใจในหลัก ปฏิบัติทำได้นะครับผมจะไม่บรรยายอะไรให้มันละเอียดมากมายนักดกเพราะว่าพระเขาวาเนี่ยเปรยียได้เยอะๆเลยเธอได้หลายๆอย่างนะเปรียบว่าผู้แบง่งภาคธรรมก็ได้แบ่งตั้งแปดมื่นนะนะรวมกับของสาวกด้วยเรือเปล่าที่ว่าสี่พันนะนะพระธรรมอันนะนะไม่ใช่น้อยเลยนี่ภรารมแบง่งภาคร แต่ผู้รู้ท่านถวายพระนามพระขวาวาวา่าข้าพระเจ้าขอโนบโนมพระผู้ประเสริฐสูงสุดพระขวาวาเนี่ยท่านตีความว่าอย่างนั้นนะครับทีนี้อย่างนั้นผมถึงคิดว่าให้ผู้ปฏิบัติธรรมทั้งหลายนำเอาหนักมูตัวนี้ มาปลูกฝังสร้างศรัทธาอย่าให้จิตใจของเรามันกระด้างมันแข็งใ่ามีบุญในการอดนมทนทนในมงคล38ท่านก็กล่าวสรรเสริญเอาไว้ว่านิวาโตจะนิวาดานางเอตมังคัลมุตมังผู้ไม่มีลมเบง่งผู้มีมีลมพองผู้ไม่ยิงผู้ไม่พยอง <Yeah. S 1> เป็นผู้ดมมงคล <laughs> แล้วท่านบอกว่าต่อไปจะเป็นผู้นั่งใกล้เดินเกษม yeah. นั่งไก่พระพุทธเจ้านั่งไก่พระนิพพานนะครับที่นี้ผมจะพูดเพียงแค่นี้เลยนะครับณโมเนี่ยถ้าท่านหนึ่งท่านใดมีความคล่องใจสงสัยที่ไหนให้ท่านไปศึกษาเอาเองก็แล้วกันว่าผู้รู้ท่านถวายนาพระควาตรงเนี้ยณโมูตาสะพระควาตอรหโตมาสมุทัยสะอย่างเช่นที่พวกเราสวด ทุกกท่านทุกๆองค์เพราะอะไรเพราะเพราะว่าเรามีความหมายว่าจะต้องทำจิตให้มันไม่กระด้างให้มันแข็งทีนี้เวลาเราปฏิบัติทำก็เหมือนกันท่านมีคำบาลีว่าถ้าจิตประชุมมัคสมังคีแสดงว่าจิตมันเริ่มมีความอ่อนน้อมนอบน้อมแล้วเ <c oughs> ข้าไปสู่จุด ของฐานของสมาธิทำกรรมฐานกายละหูตาเกิดท่านบอกกายเบาจิตละหูตาเกิดจิตก็เบาว่าอย่างนั้นนะครับการเริ่มต้นตรงนี้ที่วันนี้ผมจะพูดเรื่องการปฏิบัติทมถวายท่านทั้งหลายเท่าที่จะนำมาเล่าสู่กันฟังได้ <c oughs> คือหลักการปฏิบัติทำนี่ขอขับเรียนหรือขอเรียนท่านทั้งหลายเอาไว้ว่ามันมีหลายหลากพระพุทธเจ้าแสดงทำให้อ่โปรดชาวโลกสัตว์โลกเนี่ยสาวกแต่ละท่านแต่ละรูปแต่ละองค์ท่านจะบรรลุธรรมในหัวข้อธรรมแตกต่างกันตรงนี้ผมก็ขอทำความเข้าใจกับท่านทั้งหลายสักเล็กน้อยคือหมายความว่าท่านจะได้รับ กการปฏิบัติมาจากครูบาอาจารย์ท่านหนึ่งท่านใดก็แล้วแต่ครูบาอาจารย์ที่ท่านรับมานั้นน่ะท่านเป็นผู้มีศรัทธาในปฏิปทาของท่านขอเรียนว่าให้ท่านพยายามศึกษาขั้นตอนจากท่านให้เข้าใจก่อนลงมือปฏิบัติเพราะถ้าหากว่าศึกษาไม่เข้าใจขั้นตอนจากท่านแล้วการปฏิบัติอาจจะ ไม่ค่อยสําทธิ์ผลหรือเกิดผลราชา้าหรืออาจจะเบื่อหน่ายหรืออาจจะทิ้งไปเลยอะไรอย่างนี้อันนี้เป็นปัญหาสําหรับผู้ศึกษาทำปฏิบัติธรรมทีนี้ก็มีหลายๆอย่างที่พวกเราใช้กันอยู่ในบ้านเราเมืองเราเนี่ยสายพงยุบท่านก็ใช้กําหนดหน้าท้องหรืออะไรก็แล้วแต่ครูบาอาจารย์จะให้คําแนะนําในการเริ่มต้น อาณาปลานนก็ให้กำหนดลมหายใจเข้าหายใจออกผู้จับสภาว่าื่อนไหวก็บอกว่าให้ใช้สติตามรู้ท่านที่ใช้คำภาวนาอาจจะใช้พูดโต ก, ก็ได้สมรมมะหังก็ได้เพื่้นทานส่วนนี้ขอให้ผู้ศึกษาทั้งหลายได้ทำความเข้าใจกับปฏิปทาของคราาูบาอาจารย์ที่ท่านมีความศรัทธาในปฏิปทาของท่านให้เข้าใจเป็นขั้นเป็นตอน ท่านจะเอาอย่างใดอย่างหนึ่งมาศึกษามาปฏิบัติได้ทั้งนั้นอันนี้มันเป็นพื้นฐานของการเริ่มต้นการลงมือปฏิบัติอย่าได้ตั้งข้อดังเกียดหรือมีความขัดแย้งมีปฏิฆะอยู่ในใจถ้ามีอย่างนั้นแล้วท่านยากแก่การที่จะเข้าไปรู้ทำเห็นรรมเพราะท่านปลงใจลงไม่จริงจังกับหลักการวิบัติของครูบาอาจา ร, รย์ที่ท่านรับมา ท่นี้ต่อจากนี้ไปผมก็จะขอถวายหลักการปฏิบัติเป็นบางส่วนหรือบางอย่างเพราะจะรวบรัดเวลาเพื่อที่จะไม่ให้เวลายืดยาวเกินไปเดี๋ยวจะมีรายการเข้าไปเวียนเทียนในวันมาคะเห็นท่านอาจารย์มหาณาลุงกับท่านอาจารย์ช่างท่านได้บอกเอาไว้ยอย่างนั้น <c oughs> ตอนนี้ผมจะพูดเรื่องอนาปาณสิติสมาธิให้ท่านทั้งหลาย ได้รับฟังพอเป็นสังเขตอา น, นา ป, ปานสติสมาธิเนี่ยพระศามาพระพุทธเจ้าทรงยกย่องสรรเสริญมากนักว่ามีอา น, นิสงส์ใหญ่อา น, นิสงส์มากพระองค์ทรงตรัสเอาไว้ว่าสมัยที่เรายังเป็นโพธิสัตว์อยู่ยังไม่ได้รู้เป็นพระพุทธเจ้าเราอาศัยอานาปานสติสมาธิเป็นวิหารธรรมเครื่องอยู่อาศัยที่ส่วนมาก อย่างนั้นนะครับ ท, ที่ว่ามีอานิสงส์ใหญ่มีอานิสงส์มากเนี่ยหมายความว่าอาจจะเป็นส่วนหนึ่งของบารมีพระโพธิสัตว์เจ้าท่านผู้ที่จะเข้าใจเรื่องอนนาปานันสติสมาธิท่องแท่นั่นอะอย่างพวกเราเราก็มีส่วนยากอยู่บ้างสักหน่อยแต่ถึงอย่างไรๆก็พยายาม ศึกษาพยายามปฏิบัติเอาพื้นฐานขั้นเริ่มต้นเนี่ยออกมาดูก่อนเราจะปฏิบัติได้ละเอีดอ่อนแค่ไหนก็แล้วแต่แต่พระสัมม า, าวาเจ้าทรงตรัสว่าให้เจริญให้มากมากให้ทำให้มากมากในที่สุดก็จะบรร ล, ลุวิมุติธรรมเองว่าอย่างนั้นนี่คือหลักฐานในพระสูตรนะครับในสมัยหนึ่งพระองค์ทรงตรัสว่าดูก่อนอนอนอ์างนั้น ภิกษุทั้งหลายในธรรมวินัยนี้ไปแล้วชูปาก็ดีเลือนบ้างก็ดีเราปากก็ดีที่สงบสงัดคนหม่ก็ดีให้นั่งคู่บัลลังทตั้งตัวตรงดารงสติมั่นกำหนดลมหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้ายาวรู้ออกยาวรู้หายใจเข้าสั้นรู้ออกสั้นรู้นี่คือหลักอนาปานการเริ่มต้นนะครับ นี่ขอเรียนถวายว่าผู้ศึกษาหรือปฏิบัติหรือเริ่มฝึกหัดหรือเริ่มปฏิบัติเนี่ยให้ทําความเข้าใจตรงที่เราจะกําหนดลมหายใจเข้าหายใจออกเนี่ยในการเริ่มต้นเนี่ยให้ตั้งฐานสติตั้งฐานฐานสติแบบไหนครับสมมุติว่าเรากําหนดว่าหายใจเข้าสั้นรู้ออกสั้นรู้เรายังไม่เห็นสภาวะลมเข้าไม่เห็นสภาวะลมออก แต่เพียเป็นแต่เพียงสัญญาที่เราจําไปจากพระสูตรหรือครูบาอาจารย์ที่แนะนําให้เอาสัญญาตัวเนี้ไปกําหนดว่าสั้นแต่เรายังไม่เห็นสภาวะของลมสั้นเข้าก็ไม่เห็นออกก็ไม่เห็นทีนี้ให้เราตั้งฐานสติตรงเนี้สมมติว่านีสั้นนะครับตรงบริเวณเหนือคิ้วเนี่ยตรงหน้าปากที่เรียกว่าฐานทิพมหาศูนย์ตรงเนี้ย กำหนดจากจมูกข้างฝาเนี่ยหายใจเข้าสัน้นรู้ออกสั้นรู้เวียนอยู่อย่างนี้ทำไมผมถึงคิดว่าเรียนถวายอย่างนี้เพราะว่าเรายังไม่มีสภาวะปรากฏเฉพาะหน้าเท่ากับคาบริกรรมจะกาหนดว่าหายใจเข้าพุดออกโทก็ได้ถ้าไม่มั่นใจว่าคาว่ารู้นั่นเป็นภาษาไทยื่อจะก่อยไปสักหน่อย อาจจะคิดว่ามันไม่ขลังเั้นท่นเดิม น, นะเอาเอาภาษาบาลีก็แล้วกันกำหนดหายใจเขาว่าพุทออกโทพุทโทพุทธโทตั้งสติเหมือนกับที่ท่านบอกว่าดารงสติมันดารงสติมันให้มันอยู่กับตรงสัญญาที่เรากำหนดอยู่เนี้ยทำไปจนจนกว่าจะเห็นสภาวะปรากฏเฉพาะหน้า เมื่อมีสภาพว่ปรากฏแล้วลมหยาบปรากฏขึ้นหรือมันจะเกิดแสงสว่างกันได้ก็แล้วแต่ให้กำหนดอยู่อย่างนั้นก่อนสักเละกน้อยทีนี้กำหนดยาวนะครับยาวเนี่เราจะตั้งไว้แค่ไหน <c oughs> ตั้งตรงลิ้นปีหรือจะตั้งตรงกลางท่วงอกแต่ให้กำหนดเข้าไปข้างในหน่อยนะครับ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 ตั้งฐานสติลองรับไว้ว่าเออกำหนดมาแค่นี้แค่ซ่วงอกหรือแค่ลิ้นปีน๋กำหนดยาวเข้าไป น, นานก็จะเห็นลมตั้งขึ้นเป็นเส้นเป็นสายเป็นช่อนะครับตั้งเข้าตั้งออกนี่ใจว่าเรามีฐานสติอยู่กำหนดมาแค่ฐานตรงเนี้แล้วก็กำหนดออกกำหนดเข้ากำหนดออกเราจะใช้คําว่าพุทหรือโทก็แล้วแต่ หรือหายใจเข้ารูกออกรูป ก, ก็แล้วแต่อันนี้เป็นความถนัดของผู้ปฏิบัติขอเรียนถวายตรงนี้ทำความเข้าใจตรงนี้กับเรื่องอ า, าณาปานในการเริ่มต้นจากเล็กน้อย <c oughs> เมื่อมีสภาวะอย่างนั้นปรากฏขึ้นให้ตั้งสติจำเนียรตามคลองลมหายใจเข้าหายใจออกชนกว่าลมหยาบจะระงับลงอเมื่อเห็นสภาวะอย่างนี้เราจะเห็นสภาวะของลมหยาบเนี่ยข้างบนเนี่ยปูขึ้น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 พัดขี้ฝุ่นเข้าออก <c oughs> นะ <c oughs> <c oughs> อันนี้เรียกว่าลมลมเข้าเปลือกก็ดีลมขี้ฝุ่นก็ดีมันจะมีสีลักษณนะคล้ายดำบังขาวบังพนกันอยู่ปลายลมแต่ข้างล่างนี้จะเป็นเส้นกำหนดอยู่อย่างนั้นให้ตลอดทั้งสติสจำเหนียกตามกองลมหายใจเข้าหายใจออกจนกว่าลมหยาบระงับทีนี้ลมจะซักพ่อกันอมขาวอมเหลือง นันเข้าจะพันกันเหมือนเกลียวเชือกทีนะกนี้รมส่วนนี้ก็จะระงับลงลงับลงแนที่สุดก็จะไปรวมอยู่ตรงฐานสติที่เราตั้งไว้เราจะมองเห็นความสว่างอยู่ข้างในนะั่นนะเนี่ยเห็นความสว่างอยู่เมื่อท่านยังคิดว่าพอมีเวลาอย่าเพิ่งละก่อนจะละก็ให้โทบทวนจะก่อนว่าทำอย่างไรเราถึงได้ เห็นลมเข้าลมออกอย่างนี้เมื่อมันยังไม่สงบสงั่นสะพอเมื่อพักแล้วในขั้นตอนต่อไปก็ให้ทําเหมือนอย่างนั้นแหละทีนี้อย่าเพิ่งละทิง้งเอาตรงนั้นเป็นฐานสติก่อนฐานสมาธิก่อนต่อจากเรากําหนดว่าเป็นฐานสติฐานสมาธิเมื่อเห็นความสว่างสวัยอยู่อย่างนั้นท่านลองน้อมไปพิจารณากายให้เห็นกายในกาย กันจะได้คิดว่าตรงนั้นมันจะสิ้นสุดลงเพียงแค่นั้นไม่ใช่นะครับตรงนี้แหละเราละทิ้งตรงนี้ไม่ได้น้อมไปพิจารณากายให้เห็นกายในกายตามหลักมหาสติปัฏฐานเนี่ยเราคิดว่าจะได้อาศัยฐานสติสัมมาทิพเพียงแค่นั้นมันก็ขาดการได้พิจารณาทำทั้งนี้ว่ายัางไม่มีสติยังไม่มีธรรมสัมมาทิพอที่จะ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 ขั้นตอนต่อไปเวทนาก็ต่อกันอยู่นั่นแหละครับนี่เป็นพื้นฐานการเริ่มต้นนะได้พิณาเวทนาในเวทนาเมื่อเวทนาพิณาผ่านก็จะเห็นจิตเข้าใจจิตในจิตเมื่อเข้าใจใจจิตในจิตก็จะเคลื่อนไปเข้าใจธรรมในธรรมเมื่อพิณาผ่านตอนนี้แล้วครูบาอาจารย์บางท่านท่านบอกว่าเก่งว่าผู้ศึกษาหรือปฏิบัติ จะขาดสติสำเนียงสานึกที่จะน้อมนําเอากรรมฐานส่วนนี้มาพิจาณาให้มันเกิดความแน่นแฟ้นก่อนท่านจึงมีคำภาวนาว่ากายโยอสุโพะเวทนาทุกขาจิตังอนิจจังธรรมานาต่าท่านให้เอาคําบริกรรม3 4คําบริกรรมนี้มาบริกรรมให้ฐานสติฐานสมาธิให้มันเกิดความยิ่งเน่าโดเด่นนะ พอถึงขั้นตอนต ร, ตรงนี้แล้วสติสมาธิท่านกล่าวไว้ว่าเหมือนกับเราได้อุปจาระสมาธิเป็นเครื่องอุปถัมภ์อยู่ผู้ศึกษาปฏิบัติถ้าไม่ยกกายานุปัสนาสติปัฏฐานขึ้นมาพินาตามหลักของการเจริญวิปัสสนากรรมฐ า, านท่านจะเดินเข้าไปหาองค์ฌานก็ประครองตรงนี้แหละเข้าไปหาปฐมฌานไปจนกว่าจะถึงฌานองค์สุดท้าย ที่จะอยู่เนื่องด้วยอุเบกขารมท่านบอกว่าพันจะมังชานังชาญตรงนี้ท่านจะเข้าใจตรงนี้ไหมให้เก็บสมาธิตรงนี้เอาไว้เป็นเครื่องคำถางไม่ใช่บรรลุธรรมมขรคันสูงนะครับนี่ขอเรียนเอาไว้นะว่าจะได้อาศัยฐานสติฐานสมาธิตรงนี้แหละศึกษาธรรมในขั้นตนอนละเอียดที่จะก้าวข้ามไปถึงอะไรท่านเรียกว่า โนโคตชาญโอนโคตรยานโอนโคตท่านฟังอย่างนั้นเข้าใจไหมครับคำว่ายานโอนโคตเนี่ยคือโคตรภูยา น, นขั้นตอนตรงนี้แหละเราจะก้าวล่วงไม่เก้าวล่วงไม่รู้เรียกว่าทุกขันนิโรธขามไมีปฏิปทาการดําเนินไปสู่ความดับนะครับเนี่ยถ้าเดินสายนี้ถ้าไม่งั้นต้องยกกายานุปัชนาจติปัฐานขึ้นมาพิจารณาเป็นองค์แรก หลังจากทำมนาปานตรงนี้ผ่านแล้วนะครับนี่ถวายไว้ตรงนี้นะถ้าพี่นาคายาพัฒนาติปัฏฐานได้เวทนาก็ต่อกันอยู่เวทนานุปัชนาสติปัฏฐานจิตตานุปัชนาสติปัฏฐานก็ต่อกันอยู่ตรงนี้เหมือนตอนต้นตอนตอน้ตนหยาบอยู่นะครับที่พูดผ่านมาเมื่อกี้เนี่ยเพราะมันยังไม่อยู่ในฐานนะยกวิปัชนาภูมิขึ้นมาพี่นา เราจะมีสติสมาธิสอดสอบของทำรมไหมมีความละเอียดพอไหมใช้สติตามรู้ทันกะเอียดปัจใจตรงนี้ไหมนี่คือได้พิจนากายานุปจศนาสติปัฏฐานเป็นองค์แรกต่อจากตรงนั้นมานะครับอันนี้ผมขอเรียนถวายขั้นตอนตรงนี้ถ้าผู้ที่ศึกษาเรื่องอนาานาปานสติเมื่อหากเห็นขั้นตอนตรงที่ผมพูดมาเมื่อตอนแรกๆนี ย, ยาได้เพิ่งละทิ้ง เก็บสมาธิตัวนี้แหละเป็นกล้องสองทางเข้าไปหาทมขั้นตอนอันที่ละเอียด mm. เก็บเอาไว้ตรงนี้เองท่านว่าถ้าวันเราเดินเข้ามาถึงจุดตรงที่ผมพูดเนี่ยจิตเราเนี่ยทรงพลังพอพอที่จะรู้จักการรักษาสมาธิจิตในขั้นตอนในการเริ่มต้นเนี่ย ถ้าหาก็เดินผ่านจากตรงช่วงที่ผลว่ามาไม่ใช่เป็นอาสวะคยยายนหรืออะไรยานโอนโคดนะที่พูดตรงตรงที่ผมพูดถึงว่าเดินจากองค์ฌานที่หนึ่งที่สองที่สามสนะครับถึงที่ห้าเนี่ยนันว่าจิตทรงอิทธิฤทธิอิทธิผลคือทรงกำลังนั่นเองไม่ใช่กำลังไปทำอย่างอื่นนะกำลังที่พร้อมที่จะน้อมเข้าไป ตั้งฐานสติฐานสมาธิพิจารณาสภาพธรรมให้เข้าใจธรรมนี่คือความหมายที่ผมพูดไม่ใช่ให้ท่านเอาไปเสกเครื่องรางของคลังไปแข่งกันกับคนอื่นนะไม่ใช่นะที่พูดนี่นะพอเรียนให้เข้าใจตรงนี้อย่าเพิ่งเอาไปใช่ผิดเดีด๋ยวจะไปคําหายากเดี๋ยวจะ ค, ค, คิดว่าร้อนมันเข่งพอแล้วไม่ใช่นะครับนี่หมายความว่า เราศึกษาขั้นตอนการเริ่มต้นของอานาปานสติผมยอมรับว่าอานาปานสติสมาธินี่ยมีอา น, นิสงส์มากมีอา น, นิสงส์ใหญ่จริงเดี๋ยวเอาไว้ให้ท่านอาจารย์มหานรงเนี่ยพูดให้ท่านฟังคือผมเคยพูดให้ท่านฟังมีปรากฏการของผูท้ที่พอที่จะทําความเข้าใจได้ท่านอาจจะมีโอกาสมาคุยกับท่านในวันหนึ่งวันใดแต่ผมจะไม่บอกในตอนนี้นะครับ ทีนี้อันนี้พูดถึงเรื่องอาณาปานาสติสมาธิในการเริ่มต้นทีนี้การทำภาวานานี่ก็เหมือนกันเดี๋ยวท่านจะบอกว่าผมนี่เอาสมาธิมาคุยกับท่านถ้าไม่มีความสงอบอย่างเราเราเนี่ยพี่นาภูมิทำยากเหลือเกินท่านลองไปดูสติสมโพชงอพะภูรีกตาททำให้มากๆ่านถ้าวันอย่างนั้นเราจะไม่มีสติสมาธิมีปัญญาพรอมองโสสองตไม่มีปัญญา จะวิจัยธรรมเรียกว่าไม่มีธรรมะวิเชยะพอที่จะสอดส่องธรรมเข้าใจธรรมะถ้าเราไม่ปรับพื้นฐานตรงนี้ลองรับก่อนอทีนี้พองยุบผมก็เคยมาลองมาทําดูท่านบอกให้กําหนดที่หน้าท้องตอนแรกผมก็ไม่รู้เหมือนกันทําหาดูเหมือนกันกําหนดไปกําหนดมาไม่ได้เห็นอะไรดอกกําหนดอยู่างนั้นดูอยู่อย่างนั้นมีสัญญันปิบปีบปๆอยู่ตรงที่หน้าท้องยังไม่เกิดอะไร รู้เค่แค่นั้นทำไปทำาไม่ทราบว่ามันเคลื่อนเข้าไปเข้าไปเลยหน้าท้องเข้าไปนะปเห็นสภาวะของอาการพองพองเช่นครับพี่โกงนี่นครับทำยังไงไม่เข้าใจเหมือนกันทำอยู่คนเดียวนะฮะพอกำหนดยุบมันได้แต่ยุบยุบยุบหายเลยไม่มีไม่มีอะไรเหลือ ต, ตั้งไปตั้งมามันปรับฐานสติฐานสมาธิได้ ที่นี่จะเห็นสภาวะของอลมนี่มันวูบวูบวูบตามจังหวะที่เรากำหนดนะครับหน้าใจก็ฟองออกยุบเนี่ยทีนี้ตรงนี้ผมก็กำหนดไปกำหนดมามันเคลื่อนลงไปทำหลายวันนะครับกำหนดจนออกแสงเย็นเวลานั่นเห็นสภาวะแผ่แสงออกมาอย่างเงี้ยเย็นไปทั้งกายแล้วนะยังไม่เข้าใจเลย <laughs> ทำไปทำมามันเคลื่อนลงไปเห็นกากบาดเครื่องหมากากบาดสีไข้สีผึกสีดําเหมือนเชิงดำไข้าฐานจริงๆก็ไม่ใช่หรอกไม่ดำถึงขนาดนั้นหรอกนะครับบนเครื่องหมายกากระบาดนี้มันจะมีสัญลักษณ์ว่าเหมือนกับเราเอาเอาผ้าเศษผ้ า, นนนาเนี่ยชุบน้ํามันจุดวางไว้เนี่ยมันจะเห็นไปคข้ไปทูกแแบบแบบแบบ ผมก็กําหนดไปอย่างนั้นะกําหนดไปกําหนดมาไอ้เครื่องหมายนี้มันก็เรียกว่าหายไปเหลือสภาว่าความสว่างอยู่ทําอยู่อย่างนั้นนานเหมือนกันอยากรู้ว่ามันจะไปทางไหนมาทางไหนทําไปทํามาวันหนึ่งมันเคลื่อนลงไปอีกไอ้ตัวนี้เคลื่อนลงไปมันก็จะไปเห็นความสว่างอยู่มันอยู่ ยบลงเหมือนแผนกระจกเล็กๆ น, ะนี่ตัวนี้ดันยากเหลือเกินอาจารย์วินเซน์มาจากประเทศพมานะ่าน่ยท่านไปจำพรรษาอยู่ประเทศพมา 5, า่าห้าพรรษาท่านบอกว่ามี พ, พระพมา่าติดกลา ป, ปะมันมัดกันเป็นพ่นพ่นเราคุยกับผมตรงนี้ท่านเป็นลูกศิษย์หลวงปู่ชาวัดหนองป่าพงนะนะท่านมาจากประเทศพม่าปีสีหมาจำพรรษาอยู่กับผมมาพูดเรื่องนี้ของสายพองยุบจากพม่า ทนี้ตรงที่ผมพูดถึงตรงนี้นะถ้าหากว่าตัวกระจกเล็กๆ เ, เนี่ยถ้ามันไม่พลิกมันยังจะต้องประคองรักษายากนี่หมายถึงสภาวะที่เกิดเฉพาะหน้านี่นะครับถ้ามันพลิกเมื่อไหร่ทีนี้ไม่ต้องกลัวหายนะทดสอบทดลองดูให้เข้าใจเอาไว้ข้างนอกเอาไปข้างในวนรอบกาย น, นะกำหนดได้กําหนดใหญ่กำหนดใกล้กําหนดไกลกาหนดให้เข้าใจมัน คือทำให้มันเกิดความชํานาญได้เกิดวาสีนั่นเองที่จะเบาใจได้สําหรับพองยุคพออาศัยได้แต่อย่าประมาทอาศัยได้ตรงไหนอาศัยเป็นเครื่องสองทางเหมือนกันเป็นเครื่องที่สูดธรรมนะครับนี่พองยุคนะนั้นนี่ถวายลกาักษณะรวบลัดมาตามผมว่ามันเป็นยานอะไรอาจารย์หลวงพอ่อผมบอกท่านไม่ได้หรอกผมไม่เคย <laughs> บอกยันถูกสืบยันถูกอันนี้ผมไม่พูดถึงเรื่องยาน พูดถึงเรื่องสภาวะปรากฏในขณะที่เรากำลังศึกษากาลังปฏิบัติขั้นตอนตรงนี้ที่ในบางท่านท่านจะเอาไปสมมติว่ากำหนดพองยุบตรงหน้าท้องกำหนดลงไปข้างขวานี่เป็นการรักษาจติตรงโคนขาวขวาหรือยแล้ก็โพกเนี่ยนะทองยุบพองยุบแล้วก็ดึงขึ้นมา3ฐ า, านอันนี้เป็นการรักษาจินะครับห้สติมันเล่นไปที่อื่น เคลนไปเคลืนมาใช้ก็เหมือนแบบพองยุบพองยุบสามข้างมาหาโผลสะโพกสโพวกขวาข้างขวาเนี่ยกำหนดพองยุบดึงขึ้นมาใหม่แล้วก็บปข้างซ้ายต่อไปกลับมาอยู่นี่นี่เป็นการรักษาจิตแล้วแต่ว่าท่านถนัดยังไงต่อไปก็หมายความว่าอย่าพิจารณาเป็นเกิดดับเป็นอารมณ์อย่พิจารณาอะไรก็แล้วแต่เถอะอันนี้ถวายตรงนี้นะครับ แไม่เข้าใจที่ไหนก็กราบเรียนถามท่านที่มีความรู้ความเข้าใจความจำนานสายนี้โดยตรง <c oughs> นี่สำหรับผู้ที่จะใช้สติตามรู้ขอเรียนอย่างนี้นะครับขั้นเริ่มต้นเนี่ยสติจะตามรู้ได้จริงๆต้องมีสภาวะของสมาธิจิตพร้อมองพกเราไม่ใช่อยู่ในเขตของสัมมาสติสัมมาสมาธิ ในมักไม่องแตกจริงเพราะปฏิปติ ท, ที่ว่าสายกลางเนี่ยมันกลางของชาวบ้านมันกลางของความคิดเอาแต่ที่จริงๆแล้วจิตเรายังไม่เป็นถ้าจิตเป็นจริงๆแล้วมันจึงจะอยู่ในสายกลางนะครับมันยังไม่โจมมหาสายอยีกจริงๆหอกเราสมมุติเอาก่อนเหมือนกับว่ า, าเราก็เหมืนว่าฟองยุบงยุบเราก็ไม่เห็นพองยุบจริงๆหอกจนกว่ามันจะปรากฏเหมือนกัน ลักษณะทั้งหมดนี้ค่ายกับคําบริกรรมค่ายกับการทําภาวนาเนี่ยขอให้ตีความตรงนี้นะครับเดีย๋ยวจะบอกว่าโอ๊ยทําอย่างนี้มันไม่เป็นวิปัสสนาหอกทําอย่างนี้มันเป็นสมาธิอยู่ ถ, ถูกทั้งสองอันผมไม่คัดค้านแต่เมื่อจิตเข้าไปสัมผัสรู้สัมผัสถึงสัมผัสเห็นเข้าใจในสภาพธรรมที่ปรากฏขึ้นได้จะเข้าใจเองท่านเดินเป็นเป็นสมาธิไหมนั่งเป็นสมาธิมหมยืนเป็นสมาธิไหมนอนเป็นสมาธิไหม ถ้ามารถกำหนดได้ทั้งสี่ริยาบทไหมเป็นในสี่ริยาบทไหมถ้าท่านเข้าใจตรงนั้นแล้วท่านถึงจะรู้ว่าการใช้สติตามรู้จริงๆอใช่แบบไหนสมาธิจิตจริงๆอยู่ที่ไหนตรงนี้ต่างหากถ้ามาอย่างนั้นท่านก็เฉียงกันตายเ <c> ฉ <oughs> ียงตัวเองน่ะไม่จะเถียงกับใครอกเฉียงกับกิเลสตัวเองน่ะอันนี้ถูกอันนี้ผิดอันนี้ใช่อันนี้ไม่ใช่เฉียงตัวเองอยู่นั่นแหละ นะเสียงกับกีรติ <laughs> นะครับต้องพยายามฝึกให้มันรู้ทั้งยืนทั้งเดินทั้งนั่งทั้งนอนให้เกิดความจานาญตามภาษาที่ท่านว่าวสีแล้วเราจะเข้าใจเรื่องอารมณ์ของการฝึกสมาธิทีนี้ตรงนี้แหละถึงจะรู้ว่าใช้สติทํารู้ตามวันนี้ผมเข้าใจว่ามันมันเฉยากอยู่สักหน่อยนะครับ ที่พูดนี่ไม่ใช่เรื่องสูงสุดนพูดเอาอารมณ์ขั้นพื้นฐานที่พอที่จะเอาจิตไปสัมผัสรู้สัมผัสเห็นสัมผัสถึงนะครับตรงนี้ที่นี้ถ้าเราฝึกหัดปฏิบัติตัรงนี้ให้เข้าใจตรงนี้แล้วแล้วเราจะรู้ว่าการใช้สติตามรู้จริงๆนะ่ะเรารู้ทันสภาพของจิตไหมบางทีมันโกรธเดินแรงเดินกไปตั้งนานแล้วเราถึง หายโกรธไปแล้วไปทําผิดไปแล้วแก้วหล่นแก้วแตกป้ายจานแตกไปแล้วเหลือไปทไําำลายร่างกายผู้อื่นไปแล้ว <c oughs> ตัวโกรธมันผ่านไปแล้วเราไปรู้ตรงนั่นของมันเสียแล้วนี่ไม่ใช่สติตามรู้นะครับไม่ใช่เลยใช่ไหมครับถ้ามีสติตามรู้จะไม่ทําอย่างนั้นมันมีจะมีสภาวะทําเป็นเครื่องกั้นหรือใกล้กับรั้วท่านเรียนหลักสืนอนักธรรมเอกมาพุทธเจ้าว่า สูตทั้งหลายจงมาดูโลกนี้อันตรายการดุ ด, าดราชโรที่พวกคนเข่าหมกอยู่แต่ผู้รู้หาข้องอยู่ไหมนี่วัคสุดรไทยนี่นะครับผู้ใดจกระวังจิตผู้นั้นจะพ้นจากวง่อย่างมากจิตธรรมาดาไม่มีรัว้วมีเลี้ยวเนี่ยเอาไปอะไรเป็นระวังครับ <laughs> ใช่ไหมจิตมันไม่มีรัว้วประตูเปิดก็ไม่มีประตูปิดก็ไม่มีเอาอะไรไประวังเข้าไปตามภาษาของเขาล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 จับสภาวะาไวนิ่งหรือเคลื่อนไหวนะครับให้ทำความศึกษาให้เข้าใจในการเริ่มต้นก่อนตรงมือปฏิบัติถ้าอย่างนั้นมันจะไปคัดค้านตัวเองโอ้ของอันนั้นไม่ดีดอกเดินไปนู้นเต อ, อันนู้นม่ดีไปเลยพยายามหาพื้นฐานของการเริ่มต้นให้ได้จะได้กล้องสองทางจะได้เป็นเครื่องมือ ในขั้นตอนการทำต่อๆไปอันนี้ผมเรียนถวายเฉพาะเรื่องการเริ่มปฏิบัติธรรมในขั้นเริ่มต้นขั้นพื้นฐานให้พยายามตั้งสติสำอยากว่าจิตของเรายังไม่สามารถสัมผัสผู้สัมผัสเห็นสัมผัสถึงด้วยตนเองผิดหลักสันทิสิกะธรรมที่เรียกว่าผู้ปฏิบัติพึงรู้เองเห็นเอง นะครับมันที่สานสวดมนต์ใจเนี่ยสันทิฏฐิโกสันทิฏฐิโกเ น, <c oughs> นี่ยแหละคือหลักสันทิฏฐิการับนะครับเจะใช้สติตามรู้หรือจะอะไรก็แ ล, แล้วแต่ใช้สติอยู่กับลมก็คือห ล, กลักอนาปานนสตินี่แหละนะครับสติเป็นปัจจัยสําคัญสําหรับผู้ฝึกหัดปฏิบัติธรรมทั้งหลายไม่ว่าจะ ก, การเริ่มต้นขั้นกลาง จะเข้าไปหาขั้นละเอียดอ่อนใช้สติเป็นหลักถ้าสติสมาธิไม่พรอมองค์ยากแก่การที่จะเข้าไปสัมผัสตูสัมผัสเนสัมผัิถึงอย่างนั้นต้องตั้งศรัทธาให้แ hmm. ข็งแรงในการลงมือปฏิบัติถ้าความเพียนอ่อนจะเทาย่อนมันก็ไปยากมีความเพียนกล้าศรัทธาแข็งพอที่จะเกิดความสมดุลแข็งเกินไปจนเป็นประสาดอันนั้นก็ไม่ใช่ อันนั้นไม่ใช่ศรัทธาแข็งในลักษณะผู้กวนไหวนะครับผู้มีศรัทธาแข็งในลักษณะกวนไหวเนี่ยเราจะสังเกตในมีบารมีทั้งสิบทัศน์ของพระโพธิสัตว์เจ้าเนี่ยท่านตั้งสัจจะอธิษฐานมีสัจจะบา ร, รมีอธิษฐานบา ร, รมีถ้าสัจจะบา ร, รมีมีอธิษฐานบา ร, รมีพอ่อมีความแข็งแรงพอ่ออย่างอื่นก็ตามมาด้วยพยายามอย่าให้เสียสัจจะอย่าให้เสียอธิษฐาน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 ดังนั้นในที่สุดนี้ <c oughs> ก็ขอกราบอาราธนาเอาคุณพระศรีลาชนตรัยและก็กุศลผลแห่งคุณงามความดีที่ท่านทั้งหลายได้ร่วมกันบำเพ็ญมาตั้งแต่อดีตจนมาถึงปัจจุบันและอาจมีโอกาสบำเพ็ญต่อไปในอนาคตจงรวมกันมาเป็นตะบะเป็นเดชะเป็นพระละเป็นกําลังผลักดันใทนท่านทั้งหลายได้มีโอกาสบำเพ็ญให้มากๆยิ่งขึ้นขอขอให้อเนกสง์ผลบุญส่วนนี้ จงปกปกักพิทักษ์รักษาให้ท่านทั้งหลายจงประสบความสำเร็จใน ห, หน้าที่การงานอย่างหนึ่งจะคิดจะปราถนาสิ่งใดซึ่งไม่เกินกว่าวิสัยของบุญกุศลที่จะตอบสนองความปราถนาของท่านแล้วก็ขอให้สิ่งนั้นๆจงพันกลับตอบสนองความปราถนาให้ท่านทั้งหลายจงพันประสบความสำเร็จความสำเร็จความสำเร็จและมีโอกาสได้ดวงตาเห็นธรรมร่วมกันจงท่ทานทุกคนเถอด